การต่อสู้ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดการต่อสู้ในธรรมะมีที่สิ้นสุดถ้าเราสู้นะวันหนึ่งก็ถึงที่สิ้นสุดของการต่อสู้ตอนยังสู้อยู่นะไม่เห็นอนาคตเหมือนกัน ม, ม่านเป็นคลองโลกมันนานมันไม่ตายหรอกจะสู้ไปจะชนะมันได้คนหนึ่งคนหนึ่งนะยากเหลือเกิน แต่ว่าถ้าสู้นะวันนึงก็เป็นอิสระพ้นจากอำนาจของมารถ้าไม่สู้ก็วนเวียนเป็นธาตุเข า, าเรื่อยๆไปเขาจะหยิบยื่นรางวัลให้เราเล็กๆน้อยๆนะคล้ายๆเขาเลี้ยงหมูเหมือนกันวันสุดท้ายมันเอาไปฆ่ามารมันเลี้ยงเรานะให้รางวัล น, นิดๆหน่อยๆให้ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้วันสุดท้ายมันเอาไปฆ่าทุกคนเลย เราเคยเห็นแต่สัตว์มันโดนเลี้ยงใช่ไหมแล้วก็ดูวันหนึ่งมันโดนจับไปฆ่าหมดทั้งปลาทั้งหมูทั้งไก่จริงๆเราก็สัตว์เลี้ยงนะนแต่เรามองไม่ออกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรพวกนั้นมันยังดูออกว่าไอ้นี่คนเลี้ยงมันเดี๋ยววันหนึ่งมาจับพวกมันไปแต่เรามองไม่เห็นมานมันเลี้ยงเรานะลึกซึ้งยิ่งบางคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ ถ้าใจไม่ถึงจริงนะสู้ไม่ได้มันเนียนเราไม่ค่อยเห็นทุกข์เห็นโทษของมันหรอกเวลาชีวิตเรามีความทุกขนะ์เราก็รู้สึกอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์พอความทุกข์มันผ่านไปเราก็ลืมอีกแล้วเราก็หลงระเริองอีกละจนรอไปได้สนุกสนานไปจนความทุกข์ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีกโอ้อยากพ้นทุกข์อีกล้นการภาวนา พอมีความทุกข์ขึ้นมาก็อยากภาวนาพอาสบายแล้วก็ลืมไม่ได้กินหรอกนะมานมันบริหารเก่งนะยิ่งกว่ารัฐบาลชุดไหนๆมันปกครองโดยเราไม่รู้ตัวว่าถูกปกครองนี่หลักของการปกครองชั้นเลิศเลยเรายินยอมพร้อมใจยอมสยบให้มันตลอดเวลามันสั่งเราตลอดเวลามานที่หลอกล่อเราตัวหลักๆเลยคือกิเลสมาน กิเลสหลักดันจิตเราให้ดิ้นรนทำงานตลอดเวลาเลยมานที่ประณีตลึกซึ้งเลยชื่ออาภิสังขารมานคือความคิดของเรานี่แหละหลอกลวงเราคิดไปปรุงไปปรุงดีช่วยกันคิด เ, ออเดี๋ยวมาวัดหลงพ่อประโมดฟังธรรมเผื่อจะปิ้งขึ้นมาบ้างเห็นนี่มานพามาฟังอยากเห็นไหอยากปิ้ง ว่าไม่ต้องภาวนาหรอกไม่ต้องรู้กายไม่ต้องรู้ใจไม่ต้องทำความสงบไม่ต้องทำในรูปแบบมาฟังฟังแล้ววันหนึ่งก็ปิ๊งขึ้นมาเองนมาณมันสอนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนให้ศึกษาศึกษาเรื่องศีลทำไงเราจะมีศีลที่ดีศึกษาเรื่องจิตทำไงเราจะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสอนให้เจริญตัญญาทำยังไงเราจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ งานของเรามีแล้วคอยมีสติคอยรู้กายคอยรู้ใจส่วนมากก็โดนหลอกไปฆราวาสนะเรียนรู้ได้เร็วฆราวาสเรียนธรรมะนี่เร็วแต่จุดอ่อนสำคัญมากเลยคือไม่ต่อเนื่องยึกยักยึกยกทำทำไปพอจนจะดีแล้วก็เลิกละหรือไม่ก็ภาวนา พอกำลังจะดีน้ำมารก็มาหลอกแล้วให้ทําไงจะดีกว่านี้เองทําไงจะเร็วกว่านี้ทําไงจะบรรลุไวไวนี่อภีสังขารานมาหลอกเขาหลอกให้ปรุงแต่งเราต้องไม่เชื่อนะกิเลสผลักดันจิตใจเราเราก็อย่าไปเชื่อมันคอยรู้ทันมันความคิดจะหลอกล่อเราให้ทํามันโน้นให้ทํามันนี้ก็อ ย, อย่าไปเชื่อมันให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตแอบไปคิดนะวิธีสู้มารก็ต้องใช้วิธีรู้ทันเรา ไปดูในพระไตรปิฎกสิวิธีสู้มารคือวิธีรู้ทันไม่ใช่ยกกองทัพไปตีกันมารทั้งหลายเนี่ยกลัวการรู้ทันครั้งหนึ่งมันมีเทวบุตรมารตัวหนึ่งแอบเข้าไปอยู่ในท้องของพระโมคคัลลาเนี่ยพระโมคคัลลาว่ามีฤทธิ์มากนะมารแอบไปอยู่ในท้องท่านท่านก็เห็นพอท่านเห็นแล้วท่านก็สู้มารไม่ได้แผลงฤทธิ์เหาะขึ้นไปตีกับมาร ท่านทักทายมารบอกว่าในมารผู้ใจบาปนี่แอบมาอยู่นี่เห็นแล้วนะเนี่ยมารก็เหนี่ยมอายหนีไปเวลาพระพุทธเจ้าเจอมารใช่หไหมท่านจะทักทายมารผู้ใจบาปเรารู้ทันเจ้าละอย่างมารจะมานิมนต์ให้ป ร, รินิพานท่านก็บอกว่ามารผู้ใจบาปนี่เรารู้ทันแล้วเวลารู้ทันแล้วมารจะหนีไป พรวสวรติมานะเคยปกครองมานทั้งหลายอยู่พอพระพุทธเจ้าตรั ส, สรู้ได้นะเสียใจมากเลยไปนั่งจุกปุ๊กอยู่กับพื้นดินนะเอานิ้วเขี่ยดินชีวิตเราทำไมมีคนหนีไปได้ขี่พราะงั้นมานมันก็แพ้ได้นะมานมันแพ้คนรู้ทันมานมันชนะคนที่ยอมแพ้มันคนที่ ไม่ยอมไปรู้มันงั้นอะไรเกิดขึ้นคอยรู้นะรู้ไปมารจะเข้ามาครองใจเราไม่ได้หรอกถ้าเรารู้ทันถ้าไม่รู้ทันถึงจะครองใจเราได้วันนี้ทําไมไปเทศเรื่องมารชะรอยจะมีมารมามาก <c oughs> คอยดูเอาวันหนึ่งเราจะได้ชนะกับเขาบ้างเพราะพระพุทธเจ้ามีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าอ An นันตชีนะ ชนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยชนะแล้วไม่กลับแพ้อีกชนะอะไรชนะมารนั่นแหละมารมีหลายอย่างนะมารมีห้าอย่างเทวบุตรมารก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกมารที่น่ากลัวคือกิเลสมารกับอาภิสังขารมารอีกตัวหนึ่งก็ขันธมารขันธมารก็อย่างงั้นๆแหละก็ไม่เท่าไหร่หรอก ตัวที่ร้ายมากเลยก็คืออภิสังคารมันเลยชื่ออภิเลยไม่ใช่มารกระจกเป็นมารระดับอาภีอภิมหาอำนาจนะอยู่ที่รู้ทันเมื่อไร่ใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็คือตกเป็นทาสของมารเมื่อไรรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะอภีสังคารมานก็หลอกไม่ได้พอจิตหนีไปคิดเนี่ยกิเลสก็จะเกิดขึ้นกุศลก็เกิดได้กิเลสก็เกิดได้ หลังจากการหลงคิดตัวหลงคิดเนี่ยเป็นหุ่นกรจบานเลยพอหลงไปคิดนะปรุงดีไปเกิดกุศลแต่กุศลอันนี้เป็นกุศลที่มารปรุงขึ้นมาเอาไว้หลอกล่อเราเพราะฉะนั้นคนหลงบ้าบุญหลงไปเรื่อยนี่ก็ตกเป็นเหยื่อมาร น, นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ไปทำบาปนะ ทำบุญก็ดีกว่าทำบาปแต่ต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็เพลินเมาบุญคอยดูวันๆก็คอยดูเขาจะทอดกรถินที่ไหนพระป่าที่ไหนใครจะสร้างเจดีที่ไหนอู้ตะเกียกตะกายไฟแลวไม่ยอมภาวนานะไม่เอาไหนเลยงนะั้นคอยรู้ทันใจที่ลงไปคิดนะแล้วก็ใจที่ถูกกิเลสหลอกกิเลสมันเนียนเหมือนกันมันฉลาด กิเลสทีแรกมาเอากิเลสหยาบๆมาขู่ให้เราตกตกใจก่อนว่เรามีสติมากเข้ามากเข้ า, ขากิเลสมันจะละเอียดมาเอาของหยาบมาหลอกไม่ได้นะมันเอาของละเอียดมาหลอกเอาของดีมาหลอกอย่างพวกเราทีแรกหัดภาวนาเราเห็นโทสะพุ่งขึ้นมาความโกรธพุ่งขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความโกรธหายไปพรรู้ไม่ทันความโกรธก็ครอบงําดูกันไปนานต่อมาความโกรธไหวแวบขึ้นมาสติเห็นแล้วความโกรธหลอกไม่ได้ละ พอไหว้ว่าเพื่อพอเราไปรู้ทันนะว่างไปเลยว่างโอหว่างแล้วดีนะจิตว่างว่างนี่แหละเคยได้ยินว่าให้จิตว่างว่างแล้วตอนนี้ก็ไปเกาะอยู่ในความว่างเพลินมีความสุขนะเพลินไม่วันวันแม้กิเลสมันชั้นเชิงสูงมันเอาของดีมาหลอกเอาความสุขเอาความสงบเอาความว่างเอาเรื่องดีๆมาหลอกหลอกให้เราเพลิดเพลินพอใจ เราก็ประมาดนิ่งนอนใจเราก็ไม่เห็นว่าราคามันแอ บ, บแทรกและอย่างพอภาวนาพอใจว่างราคะมันแทรกมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็ติดสิก็อย่ายึดถืออยู่ในความว่างรู้สึกความว่างเป็นที่พึ่งที่อาศัยก็นอนจมกิเลสไปจนวันตาย ถ้าเวลาตายน้อมใจไปอยู่ในความว่างนะนี่ว่างสว่างบริสุทธิ์เอาคำหลงปูดูลมาใช้ด้วยว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างว่างปุ๊บนะไปเกิดในอรูปประพลมนะไ่เป็นอรูปนะอย่าไปหลงกลมันนะถ้ากาหนดว่างๆไปเรื่อยแล้วตอนตาย จิตมันไม่เข้าฌาน mm hmm. ก็จะไปเป็นลูกน้องวัาสาวัตติมานได้ mm hmm. ไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่6ได้ก็ mm hmm. ทํำอรูปฌานอยู่แต่จิตในขณะที่ตายมันไม่เข้าอรูปตายแล้วก็มีโอกาสไปเกิดในปรนิมมิตวัตสวัตตีเทวดาชั้นปรนิมมิตวัตสวัตตินี่นะเป็นเทวดาที่เรียบร้อยเรียบร้อยมากเลย ไม่ใช่เทวดากระโดกกระเดกร้องราทําเพลงเหมือนเทวดาชั้นดาวประดึงส่วนเทวดาชั้นปรินมิตวตสวัตตีเวลาเขามาฟังธรรมเขาจะเรียบร้อยมากเลยมีสองพวกนะไม่ใช่พวกเหลืองกับพวกแดงแต่เป็นพวกขาวกับพวกดําฝ่ายดํานี่เรียบร้อยกว่าไยขาวไฟดาคือพวกมานมานไม่ใช่กระจกนะมานเป็นเทวดาชั้นที่สูงที่สุดเลย เวลาพวกนี้มาฟังธรรมนะาจะเรียบร้อยนุ่มนวลมากเลยนะฟังธรรมเสร็จไม่มีหันหลังให้เรานะ mm hmm. จะค่อยๆ ค, คลานถอยหลังออกไปนจนห่างแล้วออกพ้นระยะห่างพอสมควรนะนแะถึงจะยอมหันไปทางอื่นได้พวกเราไม่มีเนาะ mm hmm. <laughs> ไปเอาแบบมานบ้างนะให้เรียบร้อยบ้าง <laughs> แต่ว่าที่หลวงพ่อพูดยังไม่ได้บอกให้ทุกคนคลานถอยหลังนะ <laughs> เดี๋ยวได้เหยียบกันตายเขาทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนี้แหละนะหมายถึงว่าเขาเรียบร้อยจริงๆนะแต่ว่าร่างกายของเทวดามันไม่มีข้อมีปมเลไอย่างเราเนี่ยเฉั้นเทวดาเวลาถ้าไปพบไปเห็นนะจะพบว่ามันมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งมันงดงามนะแต่มันสง่านุ่มนวล น, นะแต่ว่าสง่างามทั้งมนุษย์ไม่มี มนุษย์ถ้านุ่มนวลก็ไม่ค่อยสง่างามสง่างามก็ไม่ค่อยนุ่มนวลเทวดามันอยู่ด้วยตัวเองอย่างนั้นได้ก็แปลกดีต้องมีพวกนอกรู้นอกทางมาเรียนอีกแล้ววันนี้มาผ่าเป็นเรื่องเทวดาวอีกแล้วเวลาเทศนะแล้วแต่จิตใครมันจะมากระทบ หัดรู้สึกตัวนะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใ จ, ร, กใจรู้สึกเรื่อยๆอย่าคิดเอาอย่าเพ่งเอาถ้าคิดเอานั่นก็หลงตามกิเลสหลงตามความคิดไปแล้วเพ่งก็เป็นกิเลสอีกแหละกิเลสอยากดีกิเลสของคนดีนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดก็ชอบเพ่งเอาเพง่งเพงเพง่งหวังว่าเพ่งแล้ววันหนึ่งจะดีดีไปไม่ได้หรอกไม่ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจต้องปล่อยให้ใกายให้ใจเขาทํางานแล้วเราค่อยตามดู แค่ถือศีลห้าไว้เท่านั้นศีลห้าจำเป็นนะต้องถือศีลต้องรักษาศีลแม้ถ้าศีลเราด่างพร้อยศีลเราบกพร่องใจเราจะไม่สงบหรอกใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่นจะไม่เกิดปัญญาเรามีศีลไว้นะบางคนทําสมาธิไม่เป็นนะแค่คิดถึงศีลนะจิตสงบสมัยพุทธกาลมีพระองค์นึงท่านภาวนาไม่เป็นหรอกคงเหมือนกับพระรุ่นนี้แหละภาวนาไม่ค่อยได้ วันหนึ่งท่านแม่สบายมากนะท่านก็เลยไปเชือดคอตายเชือดอามีดโกนเชือดถ้าภาวนาดีคงไม่เชือดหรอกจะเชือดเพราะอะไรเพราะมีโทสะดีที่ไม่ตายด้วยโทสะนะตายด้วยโทสะตกนรกเลยเอามีดโกนปาดคอแนละ้วแล้วก็จืนพิงต้นไม้หรือพิงอะไรอยู่จำไม่ได้ลพะพ็จะตายท่านก็นึกเสียใจ บวชมาตลอดชีวิตนะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างมานะั้นไม่ได้คุณงามความดีอะไรติดตัวเลยแต่ไม่สบายมากเมื่อทรมานฆ่าตัวตายดีกว่านี่เสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยจะว่าท่านไม่ได้ทําคุณความดีเลยก็ไม่ใช่ท่านถือศีลศีลของท่านไม่เคยดังพร้อยเลยนะรักษาพระวินัยเข้มงวดพอท่านนึกถึงตรงนี้ได้ท่านเกิดความอิ่มใจขใึ้นมา พอท่านอิ่มใจนะจิตของท่านก็ตั้งมั่นขึ้นมามีความสุขใช่ไหมความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเราอย่าลาทําสมาธิอย่าไปบังคับจิตนะถ้าบังคับจิตจิตไม่สงบถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์ที่ดีๆเป็นกุศลอะไรเงี้ยนะจิตจะสงบจิตมีความสุขมันจะสงบท่านี้เหมือนกันนะกำลังจะตายแล้วนึกถึงว่ารักษาศีลมันดีจิต ท, ท่านตั้งมั่นขึ้นมาเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูดูร่างกายมันตาย ท่านเป็นแค่คนดูไม่เกี่ยวด้วยท่านตายพร้อมกับนิพพานเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ตายแต่ น, นี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบถ้าเชื่อถรับรองตายฟรีตองนรกอีกตหางหานะมีอยู่สององค์นะองค์หนึ่งไม่สบายแล้วเชื่อถอีกองค์หนึ่งกรรมาฐานเสื่อมเสื่อมแล้วก็จเจริญเสื่อมแล้วก็จเจริญแบบเดียวกันสององค์นี้ช่วงหนึ่งท่านเห็นว่าเออตอนนี้กำลังจเจริญแล้วรีบเชื่อถือเพื่อตายตอนนี้จะได้ดี กฏว่าเชื่อดไปเสร็จแล้วก็ดูไปดูไปก็เป็นพระอรหันต์องค์แต่ห้ามเรียนแบบนั้นในประวัติศาสตร์มี2องค์นี้แหละไม่มีองค์ที่สามในยุคนี้คงไม่มีอรอกนะไม่ต้องเชื่อดอกแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจนะกระทั่งเวลาเราจะตายขึ้นมาดูร่างกายมันตายใจของเราเป็นแค่คนดูดสูสบายสบายอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะรู้มันไปรู้ไปสบายสบาย สมมติว่าอยู่ๆไปตรวจร่างกายหมอบอกเป็นมะเร็งทุกวันนี้คนเป็นมะเร็งเยอะมากเลยหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเราก็ดูไปร่างกายมันเป็นมะเร็งน่รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้เดี๋ยวก็ตายทันจะตายก็นอนดูมันตายไปดูร่างกายมันตายอย่าไปทุรนทุรายว่าอยากให้หายอยากให้มันอายุยืนอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วก็ยอมรับสภาพ ถ้าเมรเรายอมรับสภาพนั้นใจเราจะสงบสุขใจเราที่มีความทุกข์เพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้อย่างเราจะต้องแก่เรายอมรับไม่ได้เราก็กลุ้มใจใช่ไหมต้องไปหาอะไรมาทาสาวๆเนี่ยพอเริ่มใกล้วัย30ชักกลุ้มใจละสองกระจกตายละตีนกาขึ้นมีเงารางๆขึ้นมาแล้วเป็นรางร้ายในชีวิต หาอะไรตอนอะไรมาทานะทาไปจนอายุ40มันเยอะกว่าเก่ายังภาคเพียรไม่เลิกยังสู้อีกนะพออายุ60แล้วป่วยการทาช่างมันถือว่าถ้าจะแก่แล้วยอมรับว่าแก่นะไม่กลุ้มหรอกถ้าเจ็บยอมรับว่าเจ็บนะไม่กลุ้มหรอกถ้าจะตายต้องยอมรับว่าเออร่างกายมันถึงเวลามันต้องตายก็ไม่กลุ้มหรอกนะเวลาเราจะต้องเจอสิ่งที่ไม่รักเรายอมรับสภาพความจริงมันต้องเจอ คนเราต้องเจออะไรที่มันไม่ดีในชีวิตบ้างนะเจอเสื่อมลาบเสื่อมยศเจอนินทาเจอทุกข์อะไรเงี้ยถ้าอยอมรับได้มันก็ไม่ทุกข์นะถ้าอยอมรับไม่ได้มันก็ตัดเพาะต่อว่าตีโพยตีพายโทษใครไม่ได้ก็โทษ ด, ดวงนะเอาดวงเอาอะไรมาอ้างโทษคนอื่นว่าคนอื่นมาทําเราทนนนทนนี่ไปยกเว้นโทษกิเลสตัวเองไม่โทษเลยสงวนรักษาที่สุดเลยตีโพยตีพายไปหรือเราต้องเจอ ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยนี่เป็นธรรมดาของโลกไม่มีใครหรอกได้อยู่กับคนที่เรารักตลอดเวลาถึงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากมาคนเดียวไปคนเดียวถึงเวลาก็พลัดพรากถ้าใจยอมรับไม่ได้ใช่ไหมโอ้เสียดจต้องจากคนนี้ไปแล้วจากภรรยาจากสามีไปจากลูกในห่วงมากเลยตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นเปรตทาไมเปรตต้องคอยาว ฉันเง้อดูคนอื่นเขาเรื่อยๆฉันเงอ้อน่าสงสารนะแต่เปลตบางตัวสวยนะมีคนเล่าให้ฟังมีคนใกล้ชิดเล่าให้ฟังนะเคยเห็นเปลตพระนะโอ้เปรตพระงดงามพระเป็นเปลตเดยอะนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถือศีลอยู่นะถือศีลอยู่แล้วก็สวยสดงดงามแต่พลาดพลัง้งนะเปลตพระนั้น หลงป่าหิวข้าวเที่ยวหาอาหารอยู่กตายไปในขณะที่โลภะเกิดก็เป็นเปรตอย่างเที่ยวเดินม่าจะหาทางออกจากป่ามาบินธบาดได้ยังไงแต่ถือศีลมาดีนะก็เลยผ่องใสงดงามไม่ไม่เกี่ยวกันเปรตสวยๆก็มีนะเปรตน่าเกลียดก็มีคนสวยๆก็มีคนน่าเกลียดก็มีใช่ธรรมดาถ้าเมื่อไรใจเรายอมรับ ทุกสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นในชีวิตเราได้เราจะไม่ทุกข์อย่างคนกรุงเทพไปไหนมาไหนรถติดอยากให้ไม่ติดนะจะทุกข์มากเลยถ้ายอมรับสภาพว่า อ, อรถมันติดนะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้รถติดนะเพราะว่าเพิ่มรถมาอีกคันหนึ่งถ้ายอมรับสภาพได้รถมันต้องติดก็มไม่กลุ้มนะยอมรับได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ไม่กลุ้ม ยอมรับว่าจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่รักต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่กลุ้มใจมันอยู่ที่ว่าใจเรายอมรับความจริงได้ไหมที่กําลังปรากฏขึ้นมาถ้าใจเรายอมรับสภาวธรรมยอมรับความจริงที่กําลังปรากฏได้เราก็ไม่ทุกถ้ายอมรับไม่ได้ก็มีความทุกข์เกิดขึ้นนี้ทํำยังไงจะยอมรับได้ต้องไม่หนีความจริงนะคอยดูกายคอยดูใจ ความทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจนี่แหละคอยดูกายดูใจของตัวเองนะอย่าดูของคนอื่นเดี๋ยวไปแอบดูใครแล้วบอกหลวงพ่อโประโมทสั่งให้คอยดูกายดูใจนี่คนนี้สวยไปแอบตามดูเขาเรื่อยๆไปเจาะฝาบ้านเขาคอยดูเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกหลวงพ่อโประโมทสั่งอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นมารมันสั่งแล้วมารมันหลอกให้คอยรู้สึกนะความทุกข์มันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี่คอยดูกายดูใจไปเรื่อย เจอกระทั่งวันนึงเห็นความจริงกายมันต้องแก่กครมันต้องเจ็บกายมันต้องตายเป็นเรื่องธรรมดารู้สึกธรรมดามก็ไม่ทุกข์ละความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการเจอสิ่งที่ไม่รักมันเกิดจากการให้ค่าใช่ไหมใจเราเป็นคนให้ค่าเจอคนนี้ไม่ชอบในใจเราให้ค่าเจอคนนี้เราชอบในใจมันให้ค่าแล้วใครรู้ทันใจของเราใจเรารักขึ้นมาเราก็รู้ใจเราเกลียดขึ้นมาเราก็รู้นนสุดใจเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะ เราจะพัดพลากจากสิ่งที่รักเราจะเจอสิ่งที่ไม่รักใจก็ยังเป็นกลางถ้าใจเป็นกลางคือใจยอมรับความจริงได้ใจก็ไม่ทุกข์พัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์นะเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่ทุกข์ปรารถนาอะไรแล้วไม่สมหวังก็ไม่ทุกข์รู้สึกเป็นธรรมดาในโลกนี้ได้มาเสียไปนะหรืออยากแล้วมันไม่ได้อนะไรนเรื่องธรรมดาไม่มีใครสมอยากตลอดเวลาหรอกเพราะความอยากมันเพิ่มตลอดเวลาอย่างหลวงพ่อมีหมาตัวหนึ่ง มาตัวนี้ชอบให้คนเอาใจแต่ถ้าเราเอาใจเป็นแค่นี้นะอีกวันมันจะเพิ่มเพิ่มมาตรฐานนะอย่างทุกวันมันจะต้องไปนั่งตักครูบาอาแล้วก็กินอาหารต้องป้อนอาหารให้มันกินนะทุกวันเรียกร้องอย่างนี้บางวันมันจะเรียกร้องมากขึ้นแทนที่จะวิ่งขึ้นตักมันไปนั่งที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งให้บิเชิญนะถ้าเชิญมาก็มา อีกวันหนึ่งเชิญก็ไม่มานะนั่งไกลออกไปอีกอต้องไปเชิญไกลขึ้นไกลขึ้นใช่ไหมกระทั่งหมานะดีมานอย่างเพิ่มเลยนะเราศึกษาหมานี่แหละมาดูจิตใจโยมก็แบบเดียวกันแหลนะจิตใจพระด้วยนะไม่ใช่พระโยมหรอกคือพอได้แค่นี้นะก็จะเอาแค่นี้เห็นไหมพอได้แค่นี้เอาแค่นี้เรียกร้องแค่นี้พอได้แค่นี้จะ เ, เรียกร้องอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมีอํานาจแนละ้วได้เลือกตั้งเป็นนายกใช่ไหม อยากเป็นนายกอีกไม่อยากเลิกตัวเองหมดโคต้าแล้วอยากให้ลูกเป็นนายกอยากสืบสืบสันติวงศ์ต่อไปอีกอะไรเงี้ยเนี่ยดีมานมันไม่รู้จักจบจักสิ้นใช่มเพราั้นปัญหานี่นะไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ตกตกเป็นทาตมันเรื่อยๆไปวิธีอันเดียวเท่านั้นกิเลสปัญหาเกิดขึ้นรู้ทันนะมีสติรู้ทันลงไปจนเราเห็นเลยทุกอย่างที่เราพบที่เราเจอเนี่ยมันพอดีพอดีแล้ว มันจะไม่รักไม่เกลียดอะไรพอดีพอดีถ้ายอมรับสภาวธรรมที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้ายอมรับไม่ได้ก็จะทุก fallen, ท <S <s ข์นะยอมรับได้ก็เพราะเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมามีเหตุก claro> ็เกิดมวลเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้เรื่อยๆนีใจยอมรับความจริงใจก็ไม่ทุกข์หรอกใจมันทุกข์เพราะยอมรับความจริงไม่ได้อยากให้ใจยอมรับความจริงก็ค่อยดูความจริงอยจะหนีความจริง คอดูความจริงก็คือครยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆความทุกข์มันอยู่ที่กายครยรู้ไปความทุกข์มันอยู่ที่ใจครยรู้ไปรู้สึกนะรู้ง่ายๆบางคนมาถามหลวงพ่อว่าจะดูจิตตดูยังไงโถถามอะไรนีจริงง่ายจะตายไปหลวงพ่อเรียกเด็กมาสาธิตสักคนหนึ่งก็ได้ถามเด็กว่ารู้จักโกรธไหมเด็กก็รู้จักนะรู้จักอยากไหมอยากน่นอยากนี่เด็กก็รู้จักใช่ไหม รู้จักอิจฉาไหมเนี่ยถามเด็กคนหนึ่งเด็กผู้หญิงรู้จักอิจฉาไหมมันมองหน้าน้องก่อนนะรู้จักค่ะรู้จักทั้งนั้นอนะ่ะกลัวนะกลัวกังบล น, นะขี้เกียจความรู้สึกนานานชนิดนะรู้จักอยู่แล้ว<ม>เด็กเล็กๆยังรู้จักเลยผู้ใหญ่ทำไมยังไม่รู้จักนะอิจฉาริษยานะดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์ มีความสุขรู้ไหมใจมีความสุขเป็นยังไงรู้ไหมก็รู้เห็นไหมใจเป็นทุกข์รู้สึกไหมมันทุกข์ยังไงรู้ไหมก็รู้อีกมันง่ายแค่นั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็มีนิดเดียวเองนะขณะนี้ใจเราเป็นยังไงคอยรู้สึกไปขณะนี้ใจเราแอบไปคิดรู้ว่าใจไปคิดขณะนี้ใจเราโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธขณะนี้ใจเราโลภขึ้นมารู้ว่าโลภขณะนี้ใจเราสงสัยรู้ว่าสงสัยขณะนี้ใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น นี่แหละเรียกว่าดูจิตนะค่อยดูไปเรื่อยเราจะเห็นนะจิตใจเราเปลี่ยนแ ป, ปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวโลภเดียดเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวก็เพ่งหนะน้าที่เราคืแค่รู้ไปรู้ไปมันจะยากอะไรนักหนานะครรู้ไปเรื่อยใจเราเป็นไงก็รู้สึกรู้สึกไปนะเดี๋ยวก็สุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ลืมคําว่าปฏิบัติซะถ้าเมื่อไหร่คิดจะปฏิบัติเราคิดว่าทํำยังไงเราจะดี ทำยังไงแล้วจะรู้มันคิดแต่คำคำว่าทำใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่จะพยายามทำเมื่อนั้นล้มเหลวแล้วนะถ้าเมื่อไหร่รู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตใจตามความเป็นจริงนะเมื่อนั้นได้ผลแล้วนะได้ปฏิบัติแล้วนะเราคอยดูคุณโต ร, รู้สึกไหมช่วงนี้สบายขึ้นดุออกไหมเมื่อก่อนนั่งเพ่งๆหรือออกยังมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ชมหรอกเพ่งอ่ะเพ่งแล้ชมได้ไงชมก็เสียคนสิมีแต่ดูด่าว่ากล่าว บางคนมาต่อว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยชมหนูเลยหนูหน่าชมทั้นี้หนูหน่าเกลียดจะตายไปะหลงอยู่แล้วไม่รู้ตัวยังก็น่าเกลียดสิเราคอยรู้เนื้อรู้ตัวไปใจมันรอบก็รู้ใจมันโกรธก็รู้ใจมันหลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดถูกก็รู้ใจเป็นไงรู้ลูกเดียวเลยรู้ไปเรื่อยๆนะถึงหลวงพ่อไม่ชมนะวันนึงมันก็บรรลุมร่างผลนิพพานโดยไม่ต้องให้ใครเขาชมหรอกน ครู้สึกกายคืรู้สึกใจจน เ, เห็นความจริงของกายของใจวันนึงก็เข้าใจความจริงของกายของใจก็เข้าใจธรรมะก็เข้าใจความเป็นจริงแล้วก็เรียกว่าเข้าใจธรรมะยอมรับยอมรับความจริงกายนี้มันไม่เที่ยงนะกายนี้มันเป็นทุกข์กายนี้มันบังคับไม่ได้จิตใจก็ไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็ถูกบีบคั้นแล้วก็จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกดูไปเรื่อย ตัวไปจนใจมันยอมรับความจริงถ้า ใ, ใจยอมรับความจริงก็เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมพรนะโสดาบันไม่ใช่คนพิเศษอะไรหรอกพระโสดาบันก็คือผู้ที่ใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับตัวเราที่แท้จริงไม่มีไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกแล้วก็ไม่ใช่ง่ายอย่างที่นึกกันไม่ยากอย่างที่คิดคิดว่าโอ้ยต้องยากต้องทรมานต้องทําอะไรพี่ลึกพิลึก ไม่ต้องพิลึกแค่รู้สึกกายรู้สึกใจดูกายตามความเป็นจริงดูจิตใจตามความเป็นจริงแค่นี้แหละจารย์มหาบวัวเคยสอนหลวงพ่อนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีเท่านี้แหละไม่ยากหรอกอีกพวกหนึ่งก็เพ่งเงาเพ่งเงานะเข้นเอาบังคับเมาพวกหนึ่งก็คิดมากถูกความคิดหลอกล่อคิดหาวิธีทำไงจะดีทาไงจะสุขทาไงจะสงบ ทำไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานคิดจะทำนั้นเลิกเลิกทาได้แล้วนะแต่ก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไม่ต้องทําอะไรมากกว่าการคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้สึกไปด้วยวนเวียนอยู่ในกายในใจนี่แหละบางคนถามบอกทำไมหลวงพ่อเทศแต่เรื่องเดียวกันทุกวันเลยก็โยมมาทุกวันก็จะมาฟังเรื่องนี้แหละเรื่องอื่นไม่มีสาระหรอกเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์ก็เรื่องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละ คนจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นหรอกนั้นคอยรู้กายคอยรู้ใจนะวันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสของธรรมะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมารพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาอะไรเนี่ยมานแค่สะอื้นสะอื้นสะอื้นนะถ้าจบกิจแล้วมารร้องไห้เลยแต่หลังๆังมารไม่ร้องลนะมารร้องยุคแรกๆกสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่มารร้องไห้เลย สมัยหลังๆมารถอนใจนะก็มันสาวกพระพุทธเจ้านะก็หลุดๆไปบ้างแต่มารที่น่ากลัวคือความคิดนะความคิดกับกิเลสในใจเราพอรู้ทันไหมถ้ารู้ทันมารคู่นี้จะชนะมารตัวอื่นๆไปเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์